เตาที่อธิบายได้มิใช่เต๋าอันอนมะตะที่ตั้งชื่อให้กันได้ก็มิใช่ชื่ออันสูงส่งเต๋านั้นมิอาจอธิบายและมิอาจตั้งชื่อเมื่อไรชื่อทำฉันใดจักให้ผู้อื่นรู้ข้าพระเจ้าขอเรียกสิ่งนั้นว่าเต๋าไปพลาง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 ด้วยทฤษฎีของไอสไตน์ le, เราต้องทำความเข้าใจว่าอวกาศหรืออากาศนอกโลกนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับการเวลาเพื่อให้เข้าใจตรงนี้กระ่างขึ้นก็ต้องหาเรื่องหน้าทึ่งมาแสดงกันหน่อยทราบมครับว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ le, พยากรณ์ไว้อย่างไรคุณจะเชื่อไมหมเ่าว่าวัตถุขนาดใหญ่เช่นดาวเคราะห์นั้น ทุกขณะที่หมุนรอบตัวอยู่จะลากพาเอาอากาศและเวลาตามตัวไปด้วยไม่ต่างอะไรกับลูกบาสที่กลิ้งไปก็พ่อโครนเหนียวติดผิวมากขึ้นเรื่อยๆก <Ground ed. S 2> ารพยากรณ์ของไอสไตน์เพิ่งได้รับการพิสูจน์เมื่อเดือนมีนาคมปี1998 19นี่เองกล่าวคือเมื่อองค์กรนาซ่าวัดระยะวงโครจรของดาวเทียมสองดวงเป็นหลักฐานอย่างละเอียดทุกปี ก็พบว่าดาวเทียมของตนห่างขึ้นจากเดิมไปเรื่อยๆ6ฟุตต่อปีทั้งที่ตามหลักการมันควรจะอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดไปแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้เลยหากอากาศและเวลาเป็นสิ่งแยกต่างหากจากกันสรุปแล้วอากาศเป็นสิ่งลึกลับกว่าที่คุณคิดใช่ไหมครับพวกเราพากันนึกว่าเห็นและพูดถึงมันได้ แต่แท้จริงแล้วอาจไม่รู้จักมันเลยแม้แต่นิดเดียวคำพี่เต๋อแตกเก่งไปไกลกว่าการกล่าวถึงอากาศสทธาดเหล่าจื้อพยายามฉายภาพของความว่างอันเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง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 ได้รับฟังเตา๋าก็หัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังสำหรับผ ม, มเมื่อสำรวจตัวเองในขณะนั้นก็ไม่รู้จะจำแนกให้ตนเป็นคนระดับใดดีทราบแต่สนใจใครรู้และไม่ได้นึกอยากหัวเราะเยาะแต่อย่างใดและท่านเหล่าจือ้อก็ไม่ได้จำแนกว้อย่างหนึ่ง